ฝึกหัดจิตใจของตนให้มีความสงบเกิ ด, ดโอกาสฝึกสมาธิได้ถึงขั้นที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นและความจริงการที่จะฝึกหัดให้จิตใจของเรามีความสงบเกิดขึ้นบ้างนานก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากขอให้พยายามศึกษาหลักต่างๆที่กล่าวมานานให้เข้าใจแจม่มแจ้งและรู้จักประยุกต์นำมาใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถของตน ทุกคนก็สามารถทำได้ท้งนั้นโดยเฉพาะหลักที่ว่าเพระละตันหาได้ขาดจึงบรรลุถึงนิพพานคือเข้าถึงความสงบภายในอันสูงสุดขอได้โปรดพิจารณาดูจิตใจของคนเราใครก็ตามถ้าต้องตกเป็นธาตตันหาทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องอบายมุกเช่นความอยากดื่มอยากเที่ยวอยากสนุก แม้ในเรื่องที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ระงับไม่ได้เมื่อมีความอยากในเรื่องไหนเป็นต้องทำตามความอยากไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้กระวนกระวายหรือกลัดกลุ่มคนที่ตกเป็น่าตตันหาอย่างมากมายนานเราจะพบว่าแม้ว่าเขาจะได้มีอากาศสนองตันหาของตนอยู่เสมอก็ไม่อาจจะทำใจให้สงบได้ตลอดไป ทุกครั้งที่ได้สนองตั้นหาสมความปรารถนาใจก็อาจจะสงบชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วตั้นหามันก็จะลุกโคลงขึ้นอีกถ้ายิ่งทำอะไรตามใจ บ, บ่อยๆตั้นหาก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นและนั่นหมายถึงว่าความสงบในใจจะมีน้อยลงไปทุกทีความเร่าร้อนในใจจะมีมากขึ้นและคนไหน ถ้าความสงบในใจมีน้อยความเร่าร้อนในใจมีมากการควบคุมบังคับจิตใจของตนจะทำไม่ได้เลยจะตกเป็นทาสของอารมณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะฝึกสมาธิให้ได้ผลจริงๆนั้นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้จงจำไว้ให้ดีว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้ จะต้องเป็นคนที่รู้จักบังคับตนเองได้ดีพอสมควรสิ่งไหนไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรจะต้องไม่ทำสิ่งไหนดีควรทำต้องทำขอให้พิจารณาถึงการถือศีลการถือศีลได้จะหมายถึงการบังคับตนเองมิให้ทำตามตันหาที่หยาบหยาบได้ซึ่งในเมื่อถือศีลได้ บ, บ่อย แลกถือได้เป็นเวลานานจนกระทั่งเกิดความเคยชินก็จะพบว่าตันหาหยาบยาบคือความต้องการหรือความอยากได้ที่ผิดศีลธรรมก็จะเบาบางลงและเมื่อตันหาหยาบยาบเบาบางลงความสงบภายในก็ย่อมจะมีมากกว่าคนที่มีตันหาหยาบและบังคับควบคุมอะไรไม่ได้เลยคืออยากจะทำอะไรเป็นต้องทำ แม้จะเกิดความเสียหายเดือนร้อนแก่ตนหรือแก่คนอื่นอย่างไรก็บังคับตัวเองไม่ได้คนเช่นนี้ความสงบในใจจะมีน้อยมากจะมีแต่ความเร่าร้อนใจอยู่เสมอะพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้ว่าอิทัปตปติเปจจะตปะติปาปการีอุพยัธธตทะตปติปาปังเมกตันติตัปติ พี่โยตปฏิทุขติงคโตคนที่ทำบาปอยู่เสมอเป็นนิดย่อมเร่าร้อนทั้งสองโลกคือเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เร่าร้อนเหมือนถูกไฟเผาเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็เร่าร้อนเพราะบาปติดสันดานไปถึงชาติหน้าและทุกครั้งเมื่อ น, นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปไว้ก็เร่าร้อน เมื่อตายไปสู่ทุกขติแล้วยิ่งจะเร่าร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าส่วนคนที่ทำความดีอยู่เสมอนั้นจะมีผลตรงกันข้ามจากนี้ทุกอย่างจากหลักที่อ้างมานี้ก็จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดถึงวิธีการที่จะทำใจให้สงบพูดง่ายๆว่าหลักขั้นพื้นฐาน ในอันที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบอยู่เสมอก็คือสิ่งไหนไม่ดีต้องไม่ทำสิ่งไหนเป็นความดีต้องทำและควรจะหัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องการถือศีลเท่านั้นเช่นหัดทำอะไรให้ตรงต่อเวลาถึงเวลาจะทำอะไรต้องทำอย่ามัวชักช้าหรืออื่นอาจทำอะไรต้องทำจริงๆ อย่าทำด้วยความขี้เกียจในเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการแต่งตัวและเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันควรจะต้องหัดให้ทำอะไรอย่างมีเหตุผลทำแต่พอเหมาะพอควรมีระเบียบและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องหัดให้เป็นคนกล้าหาญอย่ากลัวอะไรง่ายๆและโดยไม่มีเหตุผลคนที่พยายามละชั่วทุกอย่าง และทำดีทุกอย่างให้มากที่สุดก็คือคนที่บังคับควบคุมตนเองได้ดีซึ่งในเมื่อทำได้ก็ย่อมจะมีความสบายใจและจิตใจจะสงบอยู่เสมออันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นคนที่จะบังคับคนอื่นได้จะต้องบังคับตนเองให้ได้ก่อนอันนี้คือหลักตายตัวสำหรับคนที่จะมีอานาจจิตเหนือคนอื่น คนที่ถือศีลได้ก็คือคนที่บังคับตัญหายาหยาบของตนเองได้เพราะละตัญหาได้ขาดจึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดขอให้นึกถึงหลักข้อนี้ให้มากฉะนั้นคนที่ถือศีลใจจึงย่อมสงบกว่าคนที่ถือศีลข้อไหนไหนไม่ได้เลยอย่าลืมว่าคำว่าถือศีลได้ไม่ความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งนั้น หมายถึงสิ่งใดไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรไม่ทำและไม่พูดเลยคนที่ทำได้จิตใจย่อมมีความเข้มแข็งเพราะสามารถบังคับกายวาจาของตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีเยี่ยมส่วนคนที่อ่อนแอย่อมบังคับตนเองให้อยู่ในเหตุผลไม่ได้และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ คนที่เอาชนะตันหาของตนเองได้มากเท่าไรใจก็ย่อมมีความสงบมากขึ้นเท่านั้นคนที่จะฝึกสมาธิได้พื้นเดิมในสันดานจะต้องมีความสงบพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคงจะรู้แจ้งแล้วว่าเมื่อเราต้องการจะฝึกฝนให้จิตใจของตนมีอำนาจเหนือคนอื่นขั้นแรกควรจะต้องฝึกฝนตนเองในเรื่องอะไร คนที่ทําความชั่วอยู่เสมอใจย่อมเร่าร้อนเมื่อใจเร่าร้อนเป็นนิสัยย่อมฝึกสมาธิไม่ได้แม้จะมีเวลาหรือแม้จะได้ครูสอนที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ยากที่จะฝึกได้เหมือนกาน้ําที่ตั้งอยู่บนเตาไฟในเมื่อเตาไฟยังมีไฟและน้ําก็ร้อนฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้น้ําสงบนิ่งอยู่ได้ ายของคนเราก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกฎตายตัวขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งที่ว่าอิ ท, ทัปปตตปฏิเปตจะตปฏิ ป, ป, ปาปการีอุพยถัปปตปฏิคนที่ทำบาปอยู่เสมอเป็นนิจย่อมเร่าร้อนทั้งสองโลกคือเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เร่าร้อนเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็เร่าร้อน ขอให้สังเกตว่าคนที่ใจเร่าร้อนอยู่เสมอก็คือคนที่ทำอะไรตามใจตนเองอยู่เสมอบังคับตันหาของตนไม่ได้แม้ในเรื่องที่เสียหายเรื่องที่นำความเดือดร้อนมาให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นก็ละไม่ได้และจากหลักอันนี้เองจะทำให้เรามองเห็นความจริงอีกแง่หนึง่ง ซึ่งทำให้จิตใจของคนเราต้องเร่าร้อนอยู่เสมอใจไม่เย็นนั่นก็คือคนที่ทำอะไรใจร้อนจะต้องให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองเดี๋ยวนั้นหรือในเวลาที่ตนกำหนดไว้รอคอยไม่ได้ผิดเวลาไม่ได้เป็นต้องอารมณ์เสียเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจหรือเกิดความโกรธความเดือดดาน คนที่รอคอยอะไรไม่ได้ทำใจเย็นไม่ได้คนประเภทนี้แม้จะเป็นคนดีไม่ทำความชั่วเลยด้วยกายหรือด้วยวาจาแต่โดยความเป็นจริงแล้วคนใจร้อนก็คือคนที่ทำความชั่วทางใจเป็นความชั่วที่เกิดจากโมหะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจ นี่คือสัจธรรมที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลาคนใจร้อนก็คือคนที่ไม่นึกถึงเหตุปัจจัยเมื่อไม่นึกถึงเหตุปัจจัยก็แปลว่าถูกโมหะครอบงำคนที่ถูกโมหะครอบงำนั้นจะสังเกตเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะคิดแต่ในแง่ของตัวเองนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองเป็นคนใจแคบเห็นแก่ตัว คนประเภทนี้ถ้าเป็นคนมีเงินมีอำนาจจะทำอะไรต้องการอะไรเป็นต้องได้เสมอและเป็นคนที่สําคัญตัวเองว่าเป็นคนยิ่งใหญ่และยิ่งเป็นคนฉลาดด้วยแล้วโดยปกติจะเป็นคนใจร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายในเมื่อถูกขัดใจหรือต้องการอะไรไม่ได้ดังใจและถ้าปล่อยให้อารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้น บ, บ่อย ก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยใจร้อนและเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วก็จะแก้ยากถึงแม้จะรู้สึกตัวเห็นโทษของการใจร้อนทั้งตั้งใจแล้วว่าจะแก้นิสัยของตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ให้หายได้ในเวลาอันรวดเร็วอะไรก็ตามเท่าลงว่ากลายเป็นนิสัยแล้วแก้ยากทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น ขอได้โปรดจําไว้ด้วยว่าคนที่ใจร้อนก็คือคนที่ใจเร่าร้อนประเภทหนึ่งนั่นเองเขาเป็นคนมีบาปอันเกิดจากโวหะบาปอันนี้ถึงแม้จะไม่ทําให้ถึงขั้นตกนรกจริงๆเพราะไม่ใช่เป็นการผิดศีลแต่มันก็มีผลเสียหายมากที่เห็นได้ชัดก็คือทําให้เข้าสมาธิขั้นสูงไม่ได้ ตราบใดที่นิสัยใจร้อนไม่หายความใจร้อนเป็นความชั่วอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องละการละเรื่องนี้ก็ไม่มีความยากลําบากแต่อย่างใดถ้าหากเรายอมรับด้วยความจริงใจว่าความใจร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งซึ่งในเมื่อเรายอมรับเช่นนี้แล้วการฝึกหัดก็จะไม่ยากและวิธีฝึกก็คือทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือรอคอยอะไรหรือสั่งให้ใครทำอะไรก็ตามจะต้องหัดทำใจให้เย็นหัดทำได้ความละเอียดถี่ถ้วนแม้จะไม่เป็นไปอย่างใจก็ต้องพยายามคิดในทางที่จะไม่ให้อารมณ์เสียจะต้องหัดสังเกตใจของตนเองว่าเพราะคิดอย่างไรหรือเข้าใจอย่างไรจึงใจร้อน จะต้องพยายามจดจำความคิดอันนี้ให้ได้แล้วทำการแยกแยะพิจารณาดูว่าที่คิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นมันผิดที่ตรงไหนจึงทำให้ใจร้อนแล้วพยายามคิดตรงกันข้ามพยายามคิดในทางที่จะทำให้ใจเย็นขอให้สังเกตว่าคนที่ใจร้อนที่สุดนั้นในบางครั้งก็ใจเย็นได้เหมือนกัน ในขณะที่ใจเย็นตนเองคิดอย่างไรต้องจำเอาไว้แต่อย่างไรก็ดีคนใจร้อนร้อยทั้งร้อยเป็นคนทำอะไรชอบําใจตนเองคิดแต่ในแง่ของตัวมองไม่เห็นความผิดของตัวมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่นทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสาสตจธรรมอันนี้ ต้องพยายามหมั่นนึก บ, บ่อยๆและพยายามหัดคิดในแง่ของคนอื่นให้มากหัดคิดตามความเป็นจริงให้มากโดยการหัดเช่นนี้จะทำให้เป็นคนใจเย็นได้แต่วิธีที่ดีและได้ผลเร็วก็คือพยายามหัดทำสมาธิให้ได้จะโดยวิธีไหนก็ตามถ้าลงว่าใจเคยเป็นสมาธิได้แม้เพียงครั้งเดียว อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนใจเย็นได้แต่ข้อสำคัญเมื่อเข้าสมาธิได้ใจสงบและตนเองได้พบกับความสงบเยือกเย็นภายในใจของตอนแล้วจะต้องนำเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทำให้ตนเองต้องใจร้อนน้นมาพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจะต้องใจร้อนแล้วก็พยายามสอนตัวเอง ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าต่อแต่นี้ไปเราจะไม่เป็นคนใจร้อนจะไม่เป็นคนฉุนเฉียวโกรธง่ายถ้าเรื่องมันจะต้องเสียเพราะมันมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องเสียถ้าเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นการหัดคิดในทํานองนี้มีประโยชน์มากจะช่วยสร้างนิสัยใจเย็นให้เกิดได้ง่าย แต่อย่างไรก็ดีคนที่จะทําได้สําเร็จนานจําเป็นจะต้องมีบทฝึกหัดและจะต้องหัดบ่อยๆหัดให้เคยชินไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางสําเร็จเลยเมื่อใดมีเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้ใจร้อนเราไม่ยอมให้ใจร้อนหัดคิดพิจารณาในทางที่จะทําให้ใจเย็นเสียเป็นเสียเกิดเรื่องเป็นเกิดเรื่อง จะเป็นอย่างไรช่างมันการหัดคิดในทำนองนี้จะต้องทำ บ, บ่อยๆถ้ายิ่งเหตุการณ์ที่ต้องหัดทำให้ใจเย็นมีมากก็หมายถึงว่าเราจะกลายเป็นคนใจเย็นเร็วขึ้นความใจร้อนนานแม้จะเกิดเพียงครั้งเดียวมันก็เป็นความเสียหายยิ่งกว่าเสียของหรือเสียอะไรอย่างอื่น เสียของดีกว่าเสียนิสัยที่เป็นคนใจร้อนขอให้พิจารณาดูความจริงข้อนี้ให้ลึกซึ้งถ้าเห็นแจ้งแล้วการหัดให้เป็นคนใจเย็นจะทําได้โดยไม่ยากเลยอย่าลืมว่าคนที่มีนิสัยใจร้อนจะฝึกสมาธิขั้นสูงไม่ได้จะฝึกได้ก็เพียงขั้นธรรมดาและก็ฝึกได้ยากด้วยคนทําความชั่ว ถ้าทำไม่มากและทำไม่บ่อยใจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นักเรียกว่าพอแก้ไขแต่สำหรับคนที่ทำมากหรือทำไม่มากทำเพียงครั้งสองครั้งแต่เป็นบาปที่ร้อนแรงมากตัวอย่างที่กล่าวไว้ในคำพีก็คือพวกที่ทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นคนที่ทำบาปร้ายแรงเช่นนี้พิสูจน์ได้ชัดมาก กล่าวคือบาปอันนี้จะทรมานใจอยู่มากหาความสงบสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะมั่งมีหรือใหญ่โตแค่ไหนบริบูรณ์ไปด้วยเครื่องอํานวยความสุขอย่างไรก็ไม่อาจทําใจให้หายความเร่าร้อนคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองในคําพีบอกว่าจะต้องตกนรกเอเวจี นรกอเวจี v G, คือนรกที่มีไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสางคําว่าอเวจี v G, ตามศัพท์แปลว่าไม่ว่างจากเปลวไฟอะแปลว่าไม่เวจี v G, หรือเวจี G, แปลว่าเปลวไฟและโดยธรรมดาคนที่จะไปตกนรกในชาติหน้าในสภาพของโอปปติกะนั้นจะต้องตกนรกในชาตินี้ก่อน เป็นนรกในชีวิตประจำวันนรกมีหลายขุมคือมีหลายประเภทนรกประเภททรมานน้อยไม่ค่อยจะรู้สึกร้อนหรือร้อนเป็นคลั้งคราวก็มีแต่ถึงอย่างไรคนที่ทำบาปก็จะต้องตกนรกทุกคนไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะสร้างจิตใจของตนเองให้มีความสงบมีความสดชื่นแจ่มใสจริง จึงจำเป็นจะต้องพยายามละชั่วและทำความดีให้มากสิ่งใดที่ตนรู้สึกว่าไม่ดีเมื่อละเวียนได้ก็จะมีปีติโสมนัสปีติโสมนัสเป็นตัวการสร้างความใจเย็นหรือสิ่งใดซึ่งเป็นความดีเมื่อตัวเองทำได้ก็จะเกิดปีติโสมนัสเช่นเดียวกันปีติโสมนัสนี่แหละเป็นตัวการที่สร้างความใจเย็น ในหลักของพชชงมีอยู่ว่าเมื่อปีติเกิดแล้วต่อจากนั้นปัดสัตธิย่อมเกิดปัดสัตธิปแปลว่าความสงบความใจเย็นเมื่อปัดสัธิเกิดแล้วต่อจากนั้นสมาธิย่อมเกิด